ซื้อของใส่บาทแต่บุญกลับเป็นของแม่ค้าถามคุณป้าได้ฟังพระเทศจากวิทยุเรื่องการซื้อกับข้าวสดใส่บาทพระท่านว่าหากไม่จ่ายเงินก่อนจะทำให้บุญไปตกอยู่ที่คนขายข้าวแกงนั้นฟังแล้วไม่ค่อยเชื่อสักเท่าไหร่นักเพราะคิดว่าบุญน่าจะเป็นที่เจตนามากกว่า เพราะสุดท้ายเราก็จ่ายเงินค่ากับข้าวนั้นภายหลังอยู่ดีคุณดังตรินคิดเห็นว่าอย่างไรตอบเท่าที่ผมจะคิดตัวอย่างได้จริงจากกรณีสมมุติแปลกๆนี้ก็คงเป็นสมมุติเช่นว่าคุณจะทำบุญบ้านใหม่แล้วไปติดต่อร้านที่เขารับจัดงานเลี้ยง ซึ่งส่วนใหญ่รับมัดจำนิดหน่อยก็จะจัดงานให้เสร็จก่อนแล้วจึงรับเงินในภายหลังคุณคิดจัดงานบุญคุณก็ต้องได้บุญจากความคิดนั้นสิครับกรรมคือเจตนาเจตนาคือกรรมร้านค้าไม่ได้เจตนาจะทำบุญแต่เจตนาจะขายของตามคลองอาชีพของเขาไม่ได้คิดถึงพระไม่ได้คิดถึงการถวายทาน และจะมาแบ่งส่วนบุญไปได้อย่างไรทั้งตามกฎหมายและกฎแห่งกรรมวิบากการโอนสิทธิจากคนคนหนึ่งมาให้อีกคนหนึ่งนั้นขึ้นอยู่กับความเต็มใจเป็นหลักหมายความว่าถ้าแม่ค้ายกของให้ลูกค้าแล้วสิทธิอันชอบทมก็เป็นของลูกค้าทันทีแม้จะตกลงกันว่าเดี๋ยวค่อยจ่ายเงินภายหลัง สิทธิ์อันชอบทำก็ไม่ได้ตามมาที่หลังไปด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าลูกค้ารู้อยู่แก่ใจว่าเดี๋ยวจ่ายแน่ไม่มีเจตนาชักดาบเจืออยู่ก็เหมือนเหมือนจะมีค่าเท่ากับให้เงินไปแล้วนั่นเองความติดค้างเกิดขึ้นเพราะรอเวลาชำระมิใช่รอการตัดสินใจว่าจะชักดาบดีหรือไม่ชักดาบดี เรื่องกรรมวิบากนั้นต้องเล็งเข้ามาที่จิตและเข้าใจให้ถ่องแท้ว่าเจตนาคือกรรมกรรมคือเจตนาข้อสงสัยต่างๆจะลดลงได้มากทีเดียวครับรวมทั้งป้องกันการเผยแพร่ความเห็นผิดๆไปในหมู่ชนวงกว้างอันจะยังความเดือดร้อนแก่ตนเองและผู้อื่นในภายหลังได้อีกด้วย